อยากศึกษาพุทธให้แตกฉานจะทำอย่างไรถามผมชักเริ่มสนใจพระพุทธศาสนาเราเห็นว่ามีเรื่องน่ารู้และตอบคำถามที่ผมสงสัยมานานได้มากกว่าที่คิดแต่บอกตามตรงว่าพอจะเอาตัวเข้าไปศึกษาให้แตกฉานแล้วสับสนแล้วก็มีความท้อใจเลอะเกินเนื่องจากหลักการเกี่ยวกับพุทธศาสนาในปัจจุบันมีอยู่มากอยากทราบว่าหากอยากเป็นผู้เข้าใจพระศาสนาได้อย่างผู้รู้เข้าบ้าง ควรเริ่มต้นอย่างไรถึงจะไม่ต้องผ่านด่านความสับสนและความท้อใจครับตอบก่อนอื่นต้องจับจุดให้ถูกครับว่าพุทธเราบอกวิธีการว่าทำอย่างไรจะรู้ตามจริงได้อย่างมีเหตุผลนับตั้งแต่ความจริงเบื้องต้นเช่นการดำเนินชีวิตอย่างไรไม่ให้มีเวรัยตลอดไปจนกระทั่งความจริงอันเป็นยอดแห่งประโยชน์สูงสุด คือความพ้นทุกทางใจชนิดไม่กลับกำเริบอีกและคล้ายกับนักศึกษาปริญญาเอกก่อนเป็นด็อกเตอร์ได้ก็ต้องเอาชีวิตทั้งหมดทุ่มลงไปบางศาสตร์บางสาขานั้นต้องเข้าป่าเสี่ยงชีวิตก็มีฝ่าเปเลวแดดในทะเลทรายก็มีหรือน้ำแข็งขั้วโลกที่อุณหภูมิติดลบก็มีเพื่อให้เป็นมือแรกที่ได้ข้อมูลสาคัญมา ไม่ใช่แบมือรับข้อมูลจากคนอื่นที่เขาทุ่มเทชีวิตจิตใจมาก่อนหน้านั้นการได้ด็อกเตอร์ทางพุทธก็คือการหลุดจากทุกชนิดลาแล้วลารับไม่กลับคืนมาถ้าคุณมองเห็นยอดสุดนี้ได้จึงจะถือว่าเป็นผู้แตกฉานที่แท้จริงและด้วยเหตุเช่นนั้นการศึกษาพุทธให้แตกฉานจึงไม่ใช่การอ่านมากคิดมาก ทําข้อสอบบาลีจนได้ยศถาบรรดาศักคม า, มากแต่เป็นการลงมือปฏิบัติตนอยู่ในวิถีทางที่จะเป็นอิสระจากทุกแบบเดิมๆ เ, เป็นอิสระจากกิเลสแบบเดิมๆตลอดจนเป็นอิสระจากความไม่รู้และอุปาทานแบบเดิมๆคนในโลกมีค่านิยมยกย่องผู้จดจำศัพท์ได้มากพูดอธิบายได้คล่องแคล่วมาก แก้ข้อสงสัยให้ตกไปได้มากแม้เมื่อหันมามองผู้เชี่ยวชาญทางพุทธศาสนาก็จะหาก่อนว่าใครมีคุณสมบัติเข้าข่ายดังกล่าวมาแท้ที่จริงแล้วคุณสมบัติเหล่านั้นเป็นเพียงขั้นบันไดต้นหรือของแถมล่อใจซึ่งอาจทำให้หลงตัวว่ารู้มากอธิบายได้มากแก้ปัญหาได้มากเท่านั้น หาใช้ผู้แตกฉานแก่นสารของพุทธที่แท้จริงไม่ความจริงอันน่าอาจจัศจรรย์ในพุทธศาสนาก็คือเมื่อศึกษาไปอย่างไม่หลงทางวันละนิดวันละหน่อยคุณจะได้พบว่าตัวเองไม่ได้ศึกษาศาสตร์ธรรมดาแต่เป็นศาสตร์แห่งความเข้าใจทุกสิ่งและคุณจะได้คำตอบที่ต้องการทั้งหมดอย่างน้อยก็เท่าที่คุณเองจะอยากรู้อยากเห็น ตรงนั้นน่าจะถือเป็นความแตกฉานที่คุณเองพอใจได้สรุปคําตอบคือจับจุดให้ถูกในขั้นแรกเราค่อยๆก้าวเดินไปหาจุดนั้นเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยทุกอย่างจะกระจางเองในวันหนึ่งแต่หากจับจุดผิดพลาดในชั้นต้นยิ่งออกเดินคุณจะยิ่งรู้สึกเหมือนเป้าหมายเป็นเพียงภาพลวงตาเห็นเหมือนมีหรือปักใจเชื่อว่ามี แต่ไปไม่ถึงคว้าไม่ได้เสียทีถามควรฝึกตัวเองอย่างไรจึงจะสามารถอธิบายธรรมะให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างง่ายๆและชัดเจนจากคำตอบข้ อ, อก่อนคงสรุปง่ายๆได้ว่า ความแตกฉานนั้นมาจากความรู้จริงนั่นเองส่วนที่ว่าใครจะสามารถอธิบายสิ่งที่ตนรู้เห็นได้มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับความพึงใจว่าเป็นผู้ชอบถ่ายทอดชอบตอบคำถามหรือชอบช่วยกันเผยแพร่พระสัทร ธ, ธรรมให้กว้างไกลออกไปหรือไม่ตรงนี้เป็นเรื่องของการฝึกฝนเฉพาะทางไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงกับความแตกฉานในพุทธศาสนาแต่อย่างใด การฝึกฝนคงไม่มีอะไรเป็นธรรมชาติเท่าสังเกตจากตนเองว่าเราเคยสงสัยอย่างไรและได้คำตอบใดเป็นกุญแจไขความสว่างแก่ใจตนเมื่อพบคนรุ่นหลังผู้สงสัยในทำนองเดียวกันก็สามารถนำกุญแจดอกเดียวกันมาไขาความสว่างให้พวกเขาได้เช่นกันการมีโอกาสมันพูดบ่อยๆจะทำให้ความทรงจำย้ำลึก และถ้าไม่ท่องบ่นจนเหมือนนกแก้วนกกุนทองคุณก็จะได้คำพูดใหม่ๆที่ง่ายขึ้นเรื่อยๆจากการพูดแต่ละครั้งหากขาดอัธยาศัยในอันที่จะช่วยไขยความกระจ่างให้กับคนรุ่นหลังธรรมชาติจะค่อยๆลบความจำของเราให้เลือนไปว่าช่วงต้นเราเคยอยากรู้อยากเห็นอะไรเกิดความสงสัยรุนแรงขนาดไหนและได้คาตอบใด ช่วยให้เกิดความอิ่มใจเต็มตื้นในที่สุดก็จะขาดสะพานเชื่อมต่อเข้ากับบรรดามือใหม่พูดอะไรจะมาจากมุมมองอันเป็นปัจจุบันของตนเองทายเดียวใครตามไม่ทันก็ขาดกำลังใจคนรุ่นเก่าถ้ามีความขวนขวายน้อยในอันที่จะทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายหรือเผลอเลอมีใจดูถูกว่าทำไมมือใหม่ถึงโง่นัก อันที่จริงนับเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ว่าสาสาาไหนก็เข้าอีรอบเดียวกันหมดหากคุณมีแรงบันดาลใจมากพอและเห็นการอธิบายเรื่องยากด้วยคำพูดง่ายๆสำหรับคนรุ่นหลังก็เป็นเรื่องน่าอนุโมทนายินดีครับศา ส, สนาพุทธขาดแคลนผู้สืบทอดชนิดนี้ค่อนข้างรุนแรง ถามมีคำศัพท์และเรื่องต่างๆในพุทธศาสนาที่ยังไม่เข้าใจอีกมากอยากทราบหลักการเรียนรู้อย่างเป็นระบบตอบหาหนังสือธรรมะที่สับน้อยๆย่อยง่ายๆเข้าใจได้ทันทีมาอ่านก่อนแล้วค่อยๆสะสมไปตามลำดับหนังสือธรรมะนั้นต่อให้เป็นชั้นอนุบาลชั้นประถมเพียงไร ก็ต้องมีศัพทธรรมะปาปนมาสักคำสองคำเสมอคุณอย่าใจร้อนหวังว่าจะท่องพจนานุกรมพุทธศาสตร์ให้ได้ในเดือนเดียวทําอย่างนั้นจะไม่เป็นธรรมชาติเหมือนตั้งใจสอบนักธรรมตรีโทเอกซึ่งคนส่วนใหญ่จะฝืนท่องจําเพื่อสอบให้ผ่านหรือเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ทางพุทธศาสนาไม่ได้ซึมซับพุทธศาสนาด้วยใจไม่ได้เสกพุทธศาสนาเหมือนทานขนม ปลายทางจึงมักเป็นผู้ทรงภูมิที่แห้งแล้งและอาจจะหลงลืมเป้าหมายสำคัญอันเป็นยอดสุดของพุทธศาสนาไปเลยก็ได้ระบบการเรียนรู้ศาสนาแห่งอิสระภาพทางใจจึงควรเป็นไปในแนวที่จะทำให้ใจเปิดกว้างมีความสุขมีความชื่นชมในการปลดปล่อยตนเองจากกิเลสและอัตตาทั้งปวงแต่ขณะเดียวกัน ก็จำต้องมีหลักตรวจสอบความถูกต้องไว้เป็นหลักประกันนั่นคือพระวจนะของพระพุทธเจ้าที่ยังคงมีบันทึกเป็นหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกสำหรับพระไตรปิฎกยุคเราก็หาง่ายแล้วครับทั้งฉบับย่อเช่นพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนของท่านอาจารย์สุชีปุญญานุภาพตลอดจนฉบับเต็มแบบบันทึกในซีดีรอมที่ค้นหาคาสาคัญได้รวดเร็วทันใจ หากใครอ่านพระไตรปิฎกฉบับย่อก่อนก็นับว่าเป็นทางลัดย่นย่อความรู้ทั้งหมดไว้เป็นหมวดหมู่ให้ได้ศึกษาขั้นสูงเป็นลำดับถัดๆไปได้ง่ายสรุปคือหากคุณเพิ่งเป็นมือใหม่สิงสิงเมื่อวานก็ขอแนะนำให้อ่านหนังสือธรรมะทั่วไปที่กำลังสนใจหัวข้อนั้นๆแต่เมื่อใดถึงจุดที่อยากรู้ว่า ความถูกต้องตามพระพุทธเจ้าตรัสเป็นอย่างไรก็ค่อยเขยืบขึ้นมาอ่านพระไตรปิฎกฉบับสำหรับประชาชนของท่านอาจารย์สุชีพดูครับ